ท่านผู้ฟังคะรายการสันสนีสนทนาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณกับที่สถานีวิทยุรอบครัวข่าวสทรเอ106และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมระเกียรติรวมทั้งเครือก็154สถานีนะคะดิฉันสันสนีนาคพงษ์ดาเนินรายการเรามุ่งเน้น ให้เข้าถึงรธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คณะของเราเรียกว่าเป็นพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ให้ท่านได้มีโอกาสฟังว่าพระพุทธองค์นั้นเวลาตรัสเนี่ยทรงตรัสอย่างไรและให้ท่านมีความรู้สึกมีความสุขว่าเออเราก็ฟังคำพระพุทธเจ้าเลยเข้าใจเหมือนกันนอกจากนั้นในสิ่งที่จะงอกงาม เพิ่มเติมขึ้นมาตามที่เห็นสมควรก็จะเป็นสิ่งที่ทางรายการเราพยายามที่จะมอบให้ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างกระจางแจ้งเกิดปัญญามากขึ้นโดยพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดยโธรนีนะคะนอมนิ ก, การค่ะท่านค่ ะ, ะอสิ่งที่จะ แอยากจะแจให้ท่านผู้ฟังทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าส uh. มณานี่ยืออย่างอาตมาหรือว่าอาุปสมามาเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเราคือหน้าที่สองอย่างในหกอย่างของสมณานี่ยก็คือนําสิ่งที่ได้ฟังไม่เคยได้ฟังให้ได้ฟังก็อย่างที่ท่านมาได้อ่านพุทธปจนะให้ฟัง อ, อย่างที่สองก็คือทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจมแจ้ ง, จงก็คือช่วงธรรมที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธประจนาเองก็คือเอาธรรมะของพระเจ้าที่เป็นพุทธวรจนะเนี่ยมาอธิบายเท่ากับว่าทําในสิ่งที่ แป็หน้าที่ของสมณะที่ควรทําแก่กุลบุตรทั้งหลายค่ะข้อที่สองคือทําให้แจมแจ้งเนี่ยก่อนหน้านั้นจะใช้ถ้อยคําที่สละสลวยที่ท่านได้กล่าวไปแล้วอย่างไรนะคะอ่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังค่ะอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจมแจ้งอือคือข้อที่สองอันนี้คือเราทำสองข้อนี้เลยถูกต้องเพรตอนแรกอ่าท่านมาร์กอ่านพระสูตรให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้นะคะและอย่างที่สองก็คืออให้ ทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งด้วยช่วงที่เรียกว่าเปิดทําที่ถูกปิดด้วยปุถุพจน์นะค่ะก็ต้สําเร็จประโยชน์ของของหน้าที่ของสมณนะล่ะค่ะค่ะท่านอาจารย์คะดังนั้นในวันนี้ที่ท่านมาร์คได้ให้เราฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยทําให้แจมแจ้งนะคะคือท่านมาได้ได้พูดถึงเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จไปตามที่ต่างๆ นะโดยโดยสังเกตนะโดยสังเกตตามที่ต่างๆเช่นก่อนที่จะไปถึงเมืองกุสินาราตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ได้จะอธิบายถึงเรื่องสังเวชนียสถานทั้ง4ก่อนที่จะเสด็จไปถึงกุสินาราเนี่ยคือเมืองที่พระรูจ้าจะปรินิพานเนี่ยก็ได้ไปเมืองนารันทาได้ไปบ้านปาติคามได้ไปบ้านโกติคามอะไรต่างๆซึ่งแต่ละที่แต่ละทางที่ไปเนี่ยได้แสดงธรรมะไว้หมดเลย <hi> ะะนไปที่เมืองนารันทานะไปก็ได้พูดกับพระสารีบุตรว่าแหมพระสารีบุตรก็ยกย่องพระพุทธเจ้านะบอกว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสมณโคดมองเ <hi> นี่ยนะะอว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เลิศมากอ่าด้วยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตต์อย่างนี้อย่างนี้พร <hi> ะพ <hi> ทุทธเจ้พพาพระสารีบุตรก็ยกย่องสมณโคดมอย่างนี้ <hi> ไปถึงที่บ้านปาติลาคาม ปาลติปาลติธรรมเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้<ฆ>แล้วก็ยังได้พูดถึงคุณธรรมของพระโสดาบันอีกได้อธิบายว่าพระโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างไรนะคือผู้ที่มีศีลห้าเป็นผู้ที่เห็นระยะยรยธรรมเป็นผู้ที่เชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพร ะ, พระสงฆ์นี้<ฆ>คือได้ตรัสถึงเกณฑ์ในการวัดสอบคุณธรรมของตัวเองเอาไว้ แล้วก็ไปเมืองเบสาลีอะไรต่างๆแล้วก็ได้จำพรรษายอยู่ที่บ้านเวรุคามแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือที่ที่ปาวัลเจดีคือที่ทรงปรงอายุสังขารเนี่ยเพื่อมาว่าตอนที่พระพุทธเจ้าได้ปรักกับนายจุนทะนะบอกว่าธรรมะวินัยของพระองค์เนี่ย ได้แสดงบอกสอนทำมันเป็นมันเป็ น, นเรีว่าโดยพิสดารแล้ว <c oughs> นะโดยพิสดารคือโดยละเอียดเนี่ยก็มีภิกษุภิกษุณีภิกษุผู้เป็นเถระเนี่ยที่ทเป็นผู้ฉลาดแก้วกล้านะแล้วก็สามารถบอกสอนพระสัทธรรมได้สามารถข่มขีปรับพ้อยคำที่เป็นคาศึกต่อสมมาทิฏฐิเนี่ยให้รับฆ่าไปได้โดยธรรมนี่ก็มีก็คือว่าธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศไว้แล้วเนี่ยก็คือเป็นที่เจริญแพร่หลายแล้ว ซึ่งตรงนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้งแต่ตอนตรัรสรู้แล้วใหม่ๆเป็นบทพยัญชนะเดียวกันเลยว่าตราบใดที่พิสุภพิษุณีเนี่ยคือพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยยังไม่แก้วกล้าอาศารร์ในธรรมเนี่ยยังไม่สามารถคมขี่ปรับวา้าอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมได้เนี่ยจะยังไม่ปรินิพพานค่ะก็คือพอตอนนี้พอมาบอกว่า รู้สึกว่าดีละทุกคนเข้มแข็งละก ล, กล้ากล้าในธรรมละสามารถแสดงธรรมอันเป็นหน้าอัศจรรย์ต่อไปได้เนี่ยตรงนี้มารก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้มาขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานอ๋อค่ะโดยใช้บทพยัญชนะเดียวกันอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยปรองอายุสังขารในที่ที่เรียกว่าอ่าวัลเจดีค่ะหลังจากป ร, ปรงอายุสังขารก็มีช่วงเวลาสามเดือนในการที่จะเสด็จไปก่อนที่กุสินารา เพราะฉะนั้นในเรื่องของกุศลาราเราก็จะมาพูดกันแหนะที่ตะไคร์ค่ะแม้อยากรู้จักมา น, นีิจังเลย <c oughs> <c oughs> คุณเป็นใคร <c oughs> มาทูลขอให้พระพุทธองค์เราบริมิพานได้อย่างไรอ่มีชื่อมานไหมคะจะได้จำเอาไว้เลยคะ่ะเอมามีชื่อ <c oughs> อยู่มีแต่ว่ามานที่มาขอพระพุทธองค์ให้บริมิพานเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้บอกไว้ว่าชื่ออะไรแต่หัวหน้ามานเนี่ย หัวหน้ามามีชื่ออยู่ออืเดี๋ยวชื่อของหัวหน้ามานี่อะมาต้องต้องลองนึกนึกก่อนไม่เป็นไรค่ะท่านค่ะคือว่าหัวหน้ามาเนี่ยมีเคยมาโต้วาทะกับอท้าวสังกะคือพระอินเนี่ยอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเขาไม่รีบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปผูกใจเจ็บหัวหน้ามานมานเนี่ฉลาดมากนะสามารถ แปลงร่างเป็นหลังจากที่พ ร, ระพุทธเจ้าปริณิพานไปแล้วเนี่ยมาเนี่ก็แปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้าพระอา น, นุ์มาถึงก็กลับวับวับวับวับเลยเออแล้วแหมก็ฉลาดมากฉลาดมากนะคะเอแต่เรื่องเนี้ยถ้าฟังแล้วแหมหน่าติดตามน่าสนใจคือคล้ายๆกับทําให้เราจินตนาการเหมือนกับฟังเรื่อง ที่เป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องละครได้เลยนะคะว่าเนี่ยพระพุทธองค์ก็มีโดยลําดับว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วบอกสอนมาพอสมควรแล้วก่อนที่จะปรินิพพานผ่านไปยังเมืองต่างๆมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วได้เห็นอยู่อย่างหนึ่งดิฉันตั้งข้อสังเกตเองนะคะว่าที่ปาลติคามที่ได้ตราเรื่องคุณสมบัติพระโสดาบันเนี่ยก็คงต้องการที่จะให้มหาชนทั้งหลายได้มีโอกาส เป็นพระโสะดาบันอย่างนั้นด้วยนะคะใช่แล้วก็พอมาถึงสุดท้ายเนี่ยที่ว่ามารได้ทูลขอให้ปรินิพานเอ่อจแล้วใช่เราคงจะหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อที่ให้<ด>ท่านเนี่ยไ ด, ได้ติดตามในวันจันทร์หน้าถัดไปก็แล้วกันนะคะอาจจะมาย้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทราบและสาคัญมากก็มาตัดตอนถึงเรื่องอื่นดีกว่านะคะที่อยากจะให้ อาจารย์ได้พูดก็คือมีคำถามสั้นๆเลยค่ะของผู้ฟังขาประจําคุณจินนี่บอกว่าเคยไปปฏิบัติธรรมสามวันในกทมรู้สึกดีมากนั่งสมาธิจงกรมได้ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นพอที่ออกมาทำเองนะคะแต่พอเล่นโยคะขณะนอนคว่ำเนี่ยได้พบว่าฟังพระสูตรของท่านมาร์คแล้วก็มีสมาธิดีใช่ไหมคะใช่กับอีกอย่างหนึ่งถ้า ใช้วิธีสวดมนต์จะสวดได้นานแล้วทุกวันนี้ก็มีความชอบสวดมนต์ในเวลาว่างๆพกหนังสือไปด้วยทําผมก็สวดไปด้วยเนี่ยอือท่านจะมีคําแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับการทําสมาธิเดินจงกรมรวมถึงจะให้คุณจินนี่เนี่ยได้มีวิธีปฏิบัติที่ดีได้อย่างไรค ะ, ะเรื่องของการ <c oughs> ทําสมาธิเนี่ยพระพุธเจาบอกว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าอมีฌานในการเพียนเผากิเลสอยู่ตลอดเวลา คนที่ที่ดูนะคนสมัยปัจจุบันเนะี่ยคนที่จะมาหาเวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดเวลาสวดมนต์ตลอดเวลามันไม่ได้หาได้ไง่ายๆหายาก <Okay. S 1> คนที่มีจิตแบบนี้เนี่ยพอสวดมนต์แล้วเนี่ยจิตเกิดปีติปีติก็มีปราโมรปราโมก็จะเกิดสุขคนที่จิตเป็นสุขกายก็จะ อ, อไม่กายก็จะสงบระ ง, งับพอสงบระ ง, งับจิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินั่นแหละเป็นผู้เพียนเพ่งเผากิเลสคนที่เพียนเพ่งเผากิเลส อ, อย่างเนี้ย เป็นคนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากินข้าวชาวเมืองไม่เสียเปล่าค่ะเท่าใจาเท่ากับว่าถ้าไม่ถนัดในการที่จะนั่งสมาธินะคะมีสมาธิเกิดจากการสวดมนต์ก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์ในที่สุดได้เช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือไงคะสวดมนต์ก็ได้จะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้จะออนอนก็ได้นอนความก็ได้ถ้า่าใจคะทีนี้อยากกลับเรียนถามอย่างเนี้ยว่าบางทีบางคนเนี่ยทาเป็น อุปนิสัยอะ่ะมันก็จะนึกถึงบทสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเนี่ยมันนึกออกในที่ที่มันไม่ควรนึกะ่ะบขาเชน่นสมมติเข้าห้องน้ําเงี้ยเกิดนึกบทสวดมนต์ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันควรไหมคะมันบาปไหมคะ <c oughs> อันนี้ตรงท่ <c oughs> าอาจารก็ไม่ได้บอกว่าห้ามสวดมนต์ในห้องน้ํานะค่ะแต่ว่าถ้าจิตเรามีเขาเรียกว่ามีปีติปราโมทยู่ที่ไหนก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําไ ด, ไได้คือการปฏิบัติตลอดเวลาเพราะเหมือนกับบางทีเราเนี่ย นั่งรถปุ๊บทําอะไรอย่างอย่างตัวดิฉันเองจะสังเกตนะคะว่าถ้าแวบเข้ามาเนี่ยมักจะนึกถึงบทสวดมนต์อยู่เสมอไม่เลือกการสถานที่แล้วเวลาดีแล้วดีมากๆเลยค่ะเออเคอุโยมตี๋ลองคิดดูมันมีคนน้อยมากที่จะมาหาเวลาสวดมนต์ฟังธรรมเราเป็นผู้ที่เรียกว่าหาได้ยากแล้วนะเอ่อในการที่จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาไหนออกมาดีที่สุดแล้วเอาเวลานั้นเลยจิตเราเป็นสมาธิได้ดีมากๆอันนี้ตอบคุณจินนี่ไปได้ด้วยเลยไหมคะใช่เพราะว่า ช่วงเวลานั้นถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมานจะมองไม่เห็นเราเป็นผู้ที่เรียกว่ามานมองไม่เห็นมานและเสนามานจะทําอะไรเราไม่ได้ออเป็นผู้ที่อคือมานเนี่ยจะหาช่องไม่เอาทางตาเข้าเอาทางหูไม่เอาทางหูเอาทางสมูกลิ้นกายลิ้ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสมาธิเนี่ยทําอะไรเราไม่ได้คจะเอาสีมาล่อเรา สีแดงสีเหลือสีชมพูสีอะไรเราไม่ไปตามนั้นเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครเป็นผู้มีศีลเจริญเมตตากรุณาเปที่ตาวเบกขาอยู่สบายค่ะอืก็ไปพยายามกันต่อไปอะนะคะที่ฉันก็จะพยายามภาวนาเป็นที่เป็นทางให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าคิดว่าตัวเองมีกรรมอน ะ, ะถ้าคิดว่าตัวเองกรรมเยอะอะไรเนี่ยก็ให้แก้กรรมซะให้แก้กรรมด้วยการทํากรรมหนะักฝ่ายบวก กหนักฝ่ายบวกก็คือสมาบัติทั้งแปดคือการเข้าทำทำสมาธินั่นเองตอนนี้คนไทยก็บอกว่าเกิดมาเป็นคนไทยในห่วงนี้มีกรรมอันนี้แก้อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยถ้าสิเราเป็นสมาธิเนี่ยเป็นกำหนักฝ่ายบวกเลยต้องมาช่วยช่วยกันทําถ้าจานท์คะทีนี้มาถึงเรื่องของบ้านของเมืองอีกนิดนึงเพราะว่าไหนๆเราจะไม่เจอกันสองวันเผื่อว่าธรรมะยังมีความจําเป็น อ, อยู่นะคะ มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเน่ะบางคนก็จะโทษกันไปโทษกันมาเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นตามหลักข้อเท่เจ้ามันมีเหตุใช่ไหมคะมันมีเหตุมันมีปัจจัยมันก็เลยทําให้เกิดซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับประเทศชาติไม่ใช่เรื่องใครคนใดคนหนึ่งบางทีมันเลยไม่ได้อย่างใจเราอ่ะอมันห้ามไม่ได้อ่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วทํายังไงดีคะก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปยึดถืออดีตไงค่ะ พระเจ้าถามอย่างนี้บอกว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเธอยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาอต้นไม่ได้ทีนี้จะเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาเขาบอกว่ายาไปฟื้นฝ อ, อยหาตะเข็บวันนี้มันไม่ได้ฟื้นฝ อ, อยหาตะเข็บตะเข็บมันจะเล็กใช่ไหมคะนี่มันอาจจะเจอรถตะขาบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนก็กลัวมันก็เลยบอกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้ากันอย่างไรดีก็ให้อ่ามาสนใจงานที่เราทํา คุณทำหน้าที่อะไรอจดัดรการวิทยุฉันเป็นแม่บ้านฉันเป็นคนทํางานในบริษัทก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะที่เราทําหน้าที่ไปเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะให้อยู่ในธรรมที่ไม่มีทางผิดใครๆจะด่าเราไม่ได้ในธรรมะเหล่านี้ก็คือเป็นคนมีศีลเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีศีลเป็นคนมีปร ม, มิหารศีค่ะถ้าอาจารย์คะสําหรับถ้าเปรียบเทียบ เป็นเรื่องของกงล้อถ้าเป็นธรรมเปรียบเทียบเป็นธรรมจกักรใช่ไหมค ะ, ะสมมติว่าขณะเนี้ยกงล้อของอสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมันก็หมุนของมันไปเรื่อยใช่ไหมค ะ, ะถ้ามันเกิดหมุนไปแล้วก็อ่าผ่านไปแล้วช่วงนี้อืเราจะหมุนต่อไปโดยเอาธรรมเข้ามาจับกันดีไหมคะคือเริ่มต้นใหม่อเริ่มต้นใหม่ก็คือแง่ที่สุดเลย ใช่ไหมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะอย่างอ่าเราจะพูด ง, ง่ายๆอย่างสมมุติถ้าคนทํางานในบริษัทเนี่ยคุณเป็นวิศวกรเป็นต้นอะ่ะคคนที่เป็นวิศวกรเนี่ยคุณจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นวิศวกรอาวุโสหรอกถ้ายังไม่สามารถออกแบบระบบอ่าหรือทําอะไรได้คุณจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการหรอกถ้ายังบริหารงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานของเราเนี่ยในที่ที่เราทำงานอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดจนกระทั่งเขาเก็บเราไม่ ไ, มได้จะต้องเรื่นขึ้นค่ะและสำหรับในเรื่องของหลักการของบ้านของเมืองถึงเข้าใจว่าจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะถ้าเราจะได้มาพิจารณาประกอบไปกับการเอาธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญกว่าเพราะการอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆจานวนมากๆเนี่ย สิ่งที่น่าจะช่วยเราได้มากที่สุดคืออยู่ด้วยกันโดยธรรมถูกไหมคะอ่าเรื่องเรื่องวาจาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญค่ะเรื่องวาจาเป็นเรื่องสําคัญถ้าใครสมมติเรานั่งรถไปอ่ะแล้วมีคนพูดเรื่องไม่ดีไม่ดีขึ้นมาเรานั่งไปสามสี่คนอีกคนที่เหลือพูดเรื่องไม่ดีหมดเลยอาจมายกตัวอย่างง่ายๆนี่นะสมมุติในรถที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีคนอูจระเข้ามาก้อนหนึ่งค่ะถ้าเรานั่งไปสักสองชั่วโมงเนี่ยมันก็มาเหม็นตัวเราอะ่ะถือไหมกลิ่นอูจาระก็จะมาติดตัวเราเราก็อย่าไป คออกมาซะไปนั่งรังสรรอื่นหรือว่าพูดเรื่องอื่นชวนเขาคุยเรื่องอื่นที่มันเรื่องเป็นเรื่องดีถ้าเราพระพุทธเจ้านะบอกว่าเวลาเวลาจะไปเจอใครไปประกาศธรรมที่ไหนเนี่ยให้หาเรื่องที่เหมือนกันคุยกันคให้หาเรื่องที่เหมือนกันคุยกันตรงนี้คนเขาเชื่อเรื่องเมตตาใช่ไหมอ้าวในธรรมะวินัยนี้เราก็มีความเมตตาเอาเรื่องเมตตามาคุยกันอย่าเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันมาคุยกันเอาเรื่องที่เหมือนกันมาคุยกัน ค, คนที่เพิ่งเจอพบเจอกันใหม่ๆเนี่ยบอกว่าอ้าวเธอมาจากจังหวัดนี้อ้าวฉันก็มาจากจังหวัดนี้เหมือนกันอ้าคุยเรื่องเดียวกันเธอมาจากมหาวิทยาลัยนี้เธอมาจากบ้านนี้เอามาจากที่เดียวกันคุยเรื่องเดียวกันดีกว่าอย่าคุยเรื่องที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่าคุยเรื่องที่มันจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป วันนี้ต้องบอกอย่างนี้ถ้าอาจารย์เข้าเสียดายครัเวลามันน้อยจริงๆริอเวลามัแล้วค่ะจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วแล้วก็เป็นการลาไปเพื่อมีอีกสองวันให้หยุดพักกันก่อนจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ต้องนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์เพบุญอภิปุณโณวัดป่าดอนหโศอุดรธานีไว้นะคะสําหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านได้ช่วยกันใช้สติให้รอบคอบและคิดอะไรก็คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมกันเป็นสําคัญเดี๋ยวเชื่อค่ะ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าพวกเราทุกคนนะคะละลดความเห็นส่วนตัวลงไปแล้วก็เอาความเห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะคะว <c oughs> ันนี้ก็ลากันไปด้วยพุทธวัตรสวัสดีจากรายการสันสนีษ์สนทนาค่ะ <c oughs>